เมื่อประมาณปี2522หรือว่า 40, 44ปีที่แล้วตอนนั้นอาตมายังเป็นคราวารดอยู่แล้วก็ยังเรียนหนังสือยูธธธ่ธรรมศาสตร์อได้มีโอกาสใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยมีเวลาว่างก็เลยถั่โอกาสไปเยี่ยมชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของฝรั่งเศส ผู้นำชุมชนนี้ก็มีชื่อเสียงนะชื่อ l a n ซาเดอวัชโตเป็นชายตุีนะแต่ว่ามาปักหลักที่ฝรั่งเศสตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยก็เป็นสันนิษฐานคนของคารนทีร่วมไปช่วยเหลือหรือเป็นร่วมทำงานต่อสู้เพื่อเอกราช จากอังกฤษนะร่วมกับคารทีแล้วเกิดศรัทธาในปรัชญาและวิถีชีวิตของคาร์เทียเมื่อกลับมายุโรปก็มาตั้งชุมชนที่เดิรลอยตามแบบอาสมของคารที ตัวแลนซาเนี่ยก็ได้รับสมญาณนานะจากคันทีว่าสันติธาตสันติธาตุเมืองไทยเรามีพุทธธาตนะแต่ว่าฝรั่งเศสนี่ก็มีสันติธาตจริงๆเนี่ยแลนซานี่ก็เป็นคริสนะแต่ว่าเพราะเห็นว่าเนี่ยาศาสนาคริสเนี่ยก็สอนไม่ต่างจาก สิ่งที่คานทีได้เผยแพร่นก็คือเรื่องของความรักเรื่องของอหิงสาชุมชนเขานี่ก็เป็นชุมชนที่เรียกว่าประสานการภาวนาเข้ากับการทำงานเพื่อสังคมอัตมาก็ได้ยินกิตติศัพท์ของแลนซ่าและชุมชนเขานี้มานานแล้วไหนไหนไปถึงฝรั่งเศสแล้วก็เดินทาง ไปเยี่ยมชุมชนนี้สักหน่อยนั่งรถไฟไปกลางคืนจากปารีสเช้านี้ก็ต้องไปต่อรถไฟที่เมืองเบรซียร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งทางภาคใต้ของฝรั่งเศสจากนั้นก็ต้องจับรถไฟท้องถิ่น เข้าไปในชุมชนที่ลวงห่างไกลก็เรียกเหมือนกับบ้านนอกนะแล้วก็มีรถมารับชุมชนนี่ก็เป็นชุมชนนานาชาตินะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องศาสนาหรือศาสนาธรรมมีทั้งคริสต์มีทั้งศาสนาอื่น ก็ส่วนใหญ่เป็นยุโรปนะคนไทยก็คงจะมีอาตมาแค่คนเดียวแล้วที่นั่นในเขาก็พยายามช่วยตัวเองนะพึ่งตัวเองให้มากนะปลูกผักกินเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายคล้ายๆอาสมคันทีมีเทคโนโลยีไม่มากพยายามเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีเครื่องทุนแรงแม้กระทั่งรถแท็กเตอร์นี่ก็ ไม่มีนะต้องใช้แรงคนหรือไม่ก็แรงสัตว์เราอยู่ที่ประมาณ3วัน4วันได้เราก็ได้สนทนากับแลนซ่าเดวัสโตอยู่บ้างนะตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วเกือบ80ดแล้วเรียกว่าเป็นปูชนะบุคคลนะของวงการอาหิงสาในยุโรปแล้วก็มีประสบการณ์ที่โชคโชนนะเรื่องการทำงานต่อต้านความไม่เป็นธรรม ในฝรั่งเศสด้วยสันติวิธีด้วยไอหิงสาแบบคานทีพอควบคุมตนวก็เดินทางกลับปารีสตอนนั้นก็สะพายเป้ไปก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่นะที่เดินทางกันด้วยเป้สะพายหลังก็ย้อนกลับไปทางเดิมก็คือต้องไปขึ้นรถไฟ ที่เมืองเบรเซียร์กว่ารถไฟจากกว่ารถไฟจะมารับไปปารีสนี่ก็ค่ำแล้วไอ้ตอนที่รถไฟที่จะไปปารีสเนี่ยจอดที่สถานีนเนี่ยเบรเซียร์เนี่ยมวยคนลงมาเยอะเลยนะตัวเองเนี่ยเนื่องจากไม่เคยคุ้นเคยนะกับระบบ รถไฟของฝรั่งเศสเนี่ยก็ใช้เวลาตามหาตู้รถไฟที่ตัวนี้ต้องขึ้นเนี่ยกว่าจะรู้ว่ามันอยู่ไกลนะโหจะต้องเกือบหัวขบวนก็ต้องเดินฝ่าสวนกับคนที่ลงมาจากรถไฟคนเยอะมากนะเพราะนั้นก็เลยเสียเวลาในการที่จะตามหา ตู้ที่ตัวเงี้จะต้องขึ้นแล้วรถไฟก็จอดไม่นานนะทั้งที่เป็นสถานีใหญ่ตอนที่กำลังมางมังงาหาตู้อยู่ได้ยดินเสียงเสียงบวดรถไฟแปลว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนขบวนยังหาตู้ไม่เจอเลยก็ชะงักอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ขณะที่กำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆ รถมันก็เริ่มเคลื่อนแล้วตกใจเลยนะรถกำลังเคลื่อนแต่ตัวเองก็ยังอยู่ที่ชานฉลายอยู่เลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเรียบขึ้นตู้ที่มันใกล้ที่สุดจีิอยตอนนั้นฉลาดหน่อยนะ้วก็ควรจะขึ้นนงแต่ตู้ที่อยู่ใกล้ตัวแล้ ว, ลวก็ไปอ่ไปหาตู้ของตัวเองเนี่ยระหว่างที่อยู่ในรถไฟแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีประสบการณ์ คอยหาแต่ตู้ที่ตัวเองจองเอาไว้พอรถมันเคลื่อนก็ตัดสินใจนะต้องต้องขึ้นรถไฟแล้วล่ะขณะที่รถไฟนะกะลังออกเนะี่ยก็ไปขึ้นเหยียบบันไดแต่บอกว่า มันขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าประตูเนี่ยของรถไฟเนี่ยของตู้นั้นมันกำลังจะปิดแล้วรถไฟก็เลื่อนแล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็ว่ารถไฟออกจากชานชลาไปแล้วตัวเองก็ยังอยู่นอกรถไฟอยู่เลยนอกตัวรถไฟอยู่เลยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าติดติดประตู คนบนรถไฟนี่ก็ตกใจนะไอเราก็ตกใจเหมืนอนกันเพราะขึ้นไม่ได้แล้วรถมันก็แล่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็มีคนช่วยดึงนะสุดท้ายเนี่ยตัวก็เข้าไปในรถไฟแล้วแต่ว่ามันยังติดติดอะไรติดเป้นะติดเป้เป้ก็ใบใหญ่ด้วย ทำให้ไม่สามารถจะขึ้นรถไฟได้ตอนนั้นรถไฟก็เคลื่อนเร็วขึ้นเร็วขึ้นคนก็เรียกว่าก็ววายๆกันใหญ่เลยว่าใช้ยังไงถึงจะขึ้นรถไฟได้สุดท้ายก็วิธีเดียวที่จะขึ้นรถไฟได้คือต้องสละเป้ที่สะพายหลังพอไม่งั้นเนี่ย มันก็ทำให้ไม่สามารถจะเข้าไปในตู้รถไฟได้ตอนนั้นก็รีบเลยนะรีบสลับสลับเป้ทั้งใบเลยทิ้งไปเลยนะพอเมงงนเนี่ยอันตรายมากพอสลัดเป้ออกไปได้ก็สามารถจะขึ้นรถไฟได้นะคืนนั้นทั้งคืนก็ก็อยู่บนรถไฟแล้วด้วยความตื่นเต้นนะว่าโอ้เจอเหตุการณ์ที่ น่าหวาดเสียแต่ว่าทุกอย่างก็ราบรื่นเนี่แม้จะว่าแม้จะเสียเป้สะพายหลังไปจริงๆเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจะเรียกว่าความเป็นความตายก็ได้เดิมพันมันสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้การที่จะสลับเป้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก ส่วนหนึ่เพราะาเป้ยมันก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากเข้าของนั้นนก็ไม่มีอะไรเท่าไรอีกส่วนนึ่งเราก็รู้นะว่าเป้ยเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถจะขึ้นไปบนรถไฟได้ถ้าไม่ทิ้งเป้เนี่ยก็ยังอยู่ในอันตรายมันเห็นชัดอยู่แล้วนะถ้าจะาพ้นจากอันตรายมันก็ต้องละเป้ย คนเราเวลาเจอสถานาที่เรียกวน้าสื้หน้าขวาหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ยากนะถ้าว่าเราจะต้องสลัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยปลอดภัยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นนะ ทั้งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างเมื่อสักสี่ห้าิปีที่แล้วเนี่ยมันมีไฟไหม้ใหญ่นะที่ประเทศอเมริกาใ น, ในป่าไฟไหม้ป่าในอเมริกามันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในช่วงหน้าแล้งก็มีเจ้าที่ดับไฟป่าจำนวนหนึ่งสิบห้าคนเนี่ย ได้รับออม้อไม้ไปดับไฟป่าเฮลิคอปเตอร์ก็ไปส่งตรงที่สันเขาอุปกรณ์พร้อมเลยไฟเนี่ยมันอยู่ตรงหุบเขาข้างล่างต้องสืบพาคนนี้ก็ลงจากสันเขาเนี่ยเพื่อที่จะไปดับไฟข้างล่างแต่ว่ลาลมมันเปลี่ยนทิศนะไฟมันไล่หลังมาไล่ ไฟมันพุ่งตรงมายังเจ้าที่ดับไฟป่าไฟมันแรงมากทางเดียวที่ต้องทำคือหนีอย่างเดียวเลยดับไม่ได้ต้องหนีแล้วก็เส้นทางเดียวที่จะหนีรอดคือวิ่งขึ้นเนินไปที่สันเขาแต่ไฟมันแรงมากนะบอก ว, ว่ามีแค่สองคนนะที่มีแค่สามคนที่รอดชีวิต สองในสามเนี่ยสามารถจะวิ่งไปถึงสันเขาได้ส่วนที่เหลือวิ่งไม่ถึงนะเกือบจะถึงและ้วละอีกห้าสิบเมตรเนี่ยถ้าถึงสันเขาก็ปลอดภัยแต่ว่าวิ่งไม่ถึงไฟมันก็มาถึงตัวซะก่อนเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งนะก็คือว่าไปดับไฟแล้วปรากฏว่าไฟมันเปลี่ยนทิศมันวิ่งไล่นะ มันพุ่งตรงมายังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าก็พากันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเขาแต่ว่าวิ่งขึ้นไม่ทันก็โดนไฟนะเผาผลาญไปตายกันเยอะเลยนะยี่สิบาสิบคนในช่วงเวลาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเขาก็มีการสอบสวนนะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้อย่างไร ก็เพราะว่าคนที่ตายเนี่ยระหว่างที่วิ่งขึ้นเนินเนี่ยทั้งหมดเลยนะเขาสะพายเปย้หนักเป็น10บโลเลยและแถมยังหิ้วถือคอนพลัว่วเลื่อยทั้งหมดนี่รวมกันก็หนักหลายหลายกิโลนะแล้วส่วนใหญ่ก็วิ่งหนี ขณะที่สะพายเป้แล้วก็ถืออุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในมือซึ่งเขาคํานวณว่าเนี่ยถ้าว่าทิ้งเป้สะพายหลังแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์ในมือนี่ซึ่งรวมแล้วหนักกว่า10บกซึ่งรวมแล้วหนัก10กว่ากิโลเนี่ยถ้าทิ้งไปเนี่ยสามารถจะวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น1ิ 20% ก็หมายความมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นเนินแล้วก็ปลอดภัยได้ แต่ว่าคนที่ตายเนี่ยเร็วกว่าร้อยทังร้อยเลยนะไม่ยอมทิ้งเครื่องมือไม่ยอมทิ้งเป้ไม่ยอมขระดคิดนะทั้งที่สาการนี้มันเรียกว่าเป็นความเป็นความตายแล้วและเป้พวกนี้ก็ดีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ดีจริงๆราคามก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ทําไมคนไม่ทิ้งนะส่วนหนึ่งก็พราลืมตัวนะลืมไปว่าสปายเป้ยอยู่ บางทีลืมไม่ได้สั้นว่ากำลังถืออะไรเนี่ยั้งที่สิ่งที่ถือก็หนักนะเลื่อยนี่มันหนักเป็นสิบโลนยหรือเกือบสิบโลแต่ว่าลืมตัวนะวิ่งหนีวิ่งขึ้นเนินทั้งที่เนี่ยถือเครื่องมือที่หนักสายเปย้นับสิบโลแต่บางคนนะเขาก็รู้นะเช่นพอวิ่งไปสักพักเนี่ย ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยมือนี่ถือเลื่อยเอาไว้แต่หลายคนก็เสียดายนะเสียดายที่จะทิ้งของเหล่านี้บางคนรู้ว่าสะพายบางคนรู้ว่าถือเลื่อยอยู่แต่ว่าแม้จะทิ้งเลื่อยเนี่ยก็จะต้องไม่ทิ้งเฉยเฉยนะจะต้องคิดจะวางเลื่อยตรงที่ไฟไม่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังเสียดายเลื่อยนะ ถ้าจะวางหรือจะทิ้งทําไงจะทิ้งในจุดที่มันจะปลอดภัยยิ่งเราเป็นความหวงแหนกันเลยนะหวงแหนพวกเครื่องมือเหล่านี้แต่ เ, เป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นเป็นตัวตนของเขานะคนที่เป็นนักดัดไฟป่าเนี่ยเขาก็ผูกพันนะกับเครื่องมือเหล่าเนี้ขวานพั่วเลื่อยไม่มีขวานไม่มีเลื่อยไม่มีพั่วมันก็เหมือนกับว่า ไม่ได้เป็นเจ้าที่ดับไฟป่าเต็มตัวก็เกิดความหวงแหนความผูกพันขึ้นมาก็กลายเป็ว่าการสละหรือการปล่อยการวางสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องยากทั้งทั้งที่ภัยเนี่ยมันมาถึงตัวแล้วแม้แม้กระทั่งของที่มันเป็นรู ป, ปรธรรมนะเช่นเลื่อยพลัว่วที่ถือไว้ในมือนี่ คนจนไม่น้อยนี่ยังรู้สึกว่าปล่อยยากเลยนัภาษาอะไรกับสิ่งที่มันแบกไว้ในใจนะคนหลายคนเนี่ยแม้จะสูญเสียทรัพย์เช่นบ้านที่ดินซึ่งก็ราคาแพงนะแต่ว่าใจเนี่ยวางไม่ลงปล่อยไม่ได้เพราะนั้นก็เกิดความเศร้าเสียใจอาจจะดูเหมือนว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับไฟที่มันกำลังไล่หลังเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือว่ามันเป็นภัยที่คุกคามร่างกายยังเห็นได้ชัดเพราะนั้นเนี่ยแต่แม้กันั้นเนี่ ย, นนนนยคนจนโมากก็ยังไม่ยอมปล่อยนะไม่ยอมวางทั้งที่มันจะช่วยทำให้ปลอดภัยได้ นัำภาษาอะไรกับไอการที่แบกไว้ในใจเนี่ยบางคนแบกไว้ในใจก็ไม่รู้นะขนาดสพายหลังยังไม่รู้เลยว่าพราะสพายเนี่ยวิ่งหนีขึ้นเขาทั้งที่แบกของหนักแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแบกคนที่สูญเสียทรัพย์แต่ว่าใจนี่มันยังคาอยู่ยังแบกอยู่เนี่ยจำนวนมากไม่รู้ตัวนะ พอแบกเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความเศร้าเกิดความเสียใจเกิดความกุ้มอกกุ้มใจจนบางคนนี่ทนไม่ได้นะฆ่าตัวตายก็มีเพราะว่าทาใจไม่ได้กับการสูญเสียบ้านสูญเสียรถยนต์อาจจะเป็นเพราะว่าทำธุรกิจผิดพลาดนะก็เลยต้อง สูญเสียสิ่งเหล่านี้ของหรืมันไปแล้วนะมันไปออกไปจากมันออกไปจากจากชีวิตแล้วแต่มันยังออกไปจากใจไม่ได้ยังแบกเอาไว้พวกเราคือทำใจไม่ได้ก็เลยเศร้านะ่าตัวตายก็มีบางคนก็เสียใจนะที่สูญเสียส่้อย ใส่อทองไส้เพชรราคาแพงถูกขโมยก็ดีถูกโกงก็ดีมันไปจากชีวิตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ไปจากใจยังใจก็ยังหวงยังแหงยังแบกเอาไว้บางทีถึงก็ล้มป่วยเลยนะล้มป่วยที่สูญเสียสิ่งเหล่านี้เสียไปแล้วแต่ใจยังปล่อยยังวางไม่ได้บางคนเป็นหนี้สิน มีหนี้ทำใจไม่ได้ยังแบกงหนี้เอาไว้แบกงน้องมากทนไม่ไหวก็ค่าตัวตายบางทีหนี้ก็ไม่แพงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่งไปยืมเงินเพื่อนเพื่อที่จะไปผ่อน iPhone อโสิบห้าผ่อนไปได้ทั้งสอ ง, งวดนะประมาณสองหมื่น เงินยืมจากเพื่อนนั่นแหละเพราะกิว่าเงินที่โอนไปเนี่ยมาไปเข้าบัญชีของพวกมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินไปเสียเงินไปจะไม่ได้ไอโฟนแถมเป็นหนี่เพื่อ น, นโหทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่ ไม่สามารถที่จะปล่อยวางทรัพย์สินที่สูญไปออกจากใจได้หรือบางทีก็แบบ น, ะนี่สินเอาไว้ทั้งที่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนที่สูงเท่าไหร่คนเราเนี่ย ถากว่าไม่เรียนรู้วิธีปล่อยสิ่งต่างๆออกไปจากใจบ้างเดยเพราะทรัพสมบัติแม้จะมีค่าเพียงใดนะแต่ถ้าไม่ปล่อยมันออกไปจากใจนะโอ้มันก็สร้างความทุกข์มากคนเราเวลามีภัยเนี่ยบางครั้งสิ่งหนึ่งที่ช่วยช่วยเราได้คือการวาง หรือการสละอาจจะสละสิ่งที่ถือเอาไว้ในมือหรือสิ่งที่สะพายอยู่ข้างหลังอย่างเวลาเจอไฟไหม้หรือเวลาขึ้นรถไฟไม่ได้เนี่ยมีทางเดียวต้องสละมันถึงจะขึ้นรถไฟได้และปลอดภัยแต่แม้จะสละมันไปแล้วนะจากมือ หรืออกสลาออกไปจากหลังแต่ถ้าใจยังไม่สลัดยังแบกอยู่อันนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะเพราะว่าแม้จะไม่มีภัยถึงตัวแต่ว่าอันตรายก็มันก็มาครอบงำใจได้มันเป็นวิชาสำคัญนะวิชาปล่อยวิชาวางสิ่งต่างๆ แต่ที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่าเป็นของเราของเราไอ้ความสองคำแม่หมาเป็นของเราของเรานี่มันน่ากลัวนะเพราะถ้าเรายึดว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีเลยอะไรที่เรายึดเป็นของเราเนี่ยเรากลายเป็นของมันทันทีเรายอมตายเพื่อมันได้ทั้งที่ภัยมาถึงตัวแล้ว เจ้าที่ดับไฟป่าแล้วเขก็ยังไม่ยอมปล่อยปล่อยอุปกรณ์ปล่อยของหนักที่ถือในมือหรือสะพายหลังเพราะว่าไปย่ดเป็นของเราเป็นของเราหรือยึดว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราข้าราชการหลายคนเนี่ยก็ไปยึดนะว่าบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเลยทีเดียวเป็นหน้าเป็นตาแต่พอต้องสูญเสียมันไป มันก็ไปกระทบกับตัวตนอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีมันนะเพราะว่าหน้าตาของเราศักดิ์ศรีของเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการยึดเป็นพอยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยในแงน่มันก็ให้ความสุขนะถ้ามันยังอยู่กับเราเนี่ย แต่ถ้าหมนใ ด, ดวันดีคืนดีมันไปจากเราเนี่ยโอ้มันทุกข์มากเลยมันไปจากชีวิตแล้วนะแต่ยังไม่เรายังไม่ยอมปล่อยมันไปจากใจยังคิดถึงมันยังยังพอวงถึงยังอะไรถึงมันอยู่เหมือนกับว่าตัวตนบางส่วนของเราหายไปอันนี้เรียกว่าเราเรียกว่าทำใจไม่ได้หมายถึง ท, ทำใจแต่เพราะยังยังปล่อยวางมัน ไม่ได้แล้วที่ปล่อยวางไม่ได้เพราะไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะข้าวของเงินทองนะอีกบางมายที่เรายึดเป็นเราเป็นของเราเช่นตำแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งคนรัก้างคนเราไม่ค่อยเห็นโทษนะของการไปยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเราบางทีไปยึดโดยไม่รู้ตัวได้ซ้า อย่น้อยถ้าเกิดเฉลียวใจนะักหน่าโอ้นี่เราเยอะเป็นเราเป็นของเรานะมันก็เกิดความรวมทั้งเห็นโทษนะว่าเนี่ยเออการยึดเช่นนี้เป็นเป็นโทษเราก็เจอเราก็จะเห็นความสําคัญการรู้จักปล่อยรู้จักวางไปจากใจมั่งแต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถึงเวลาที่มันแปรปรวนแปรเปลี่ยนหรือแปรปรวนสูญเสียพัดผ่าไปจากเรานี่มันอาจทําให้จิตสลายได้นะ และบางครั้งนี่ก่อนที่จิตจะสลายเนี่ยร่างกายก็มีกาเป็นไปซะก่อนเพราะการที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเหมือกับโจรมาป้นมาจี้นะเอาเงินเอาทรัพย์เอาสร้อยและเจ้าของไม่ยอมนะพอไปสําคัญมาหมายเป็นของชั้นของชั้นของชั้นหารู้ไหมว่าตัวร่างกายเป็นของมันไปแล้วแล้วก็ยอมตายเพื่อมันได้แลายคนก็ยอมตายนะ ยอมตายเพื่อที่จะรักษาสิ่งอันนั้นเอาไว้ไม่ให้โจรออกไปอันนี้เรียกว่าเอาตัวไม่รอดนะเพราะว่าความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางและที่ไม่ปล่อยไม่วางหรือวางไม่ลงเพราะว่าความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละ <c oughs> มันน่ากลัวนะด้วยเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเพราะเรากายเป็นของมันทันทีเลยแล้วเราอาจจะตายเพื่อมันหรือตายเพราะมันก็ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง